ต้นไม้ไม่อาจทนมองต่อไปได้อีกเขาเรีบดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปง่งแต่ก็ยังคงได้ยินเสียงร้องไห้หวยหวนนที่ทั้งน่ากลัวและน่าสงสาร น, นั้นอยู่เสียงนั้นดังจนเขาทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วเขาจึงรวบรวมความกลา้าแล้วพูดออกไปทั้งทั้งที่ยังคลุมโป่งว่าอย่าหลอกพี่เลยนะพวกนี้จะทาบุญทาทานไปให้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 ก็ได้ยินเสียงหมาหอนมาตลอดทางตอนนั้นถนนเปลี่ยวมากไม่ค่อยมีรถผ่านสักเท่าไหร่แป้งหันมองข้างทางทำท่าลุกลี้ลุกลนอย่างวาดระแวงเพราะขี่ไปได้อีกสักพักฝ้ายก็เบรกรถกระหันหันจนทำให้รถเสียหลักล้มลงทุกคนกระเด็นออกจากรถขอดีที่บาดเจ็บกันเพียงเล็กน้อย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 มดศิว